เจริญพรศรัทธายาโยงผู้มีจิตเรื่องสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4พะศชิกายนพุทธศักรา2545ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน11เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวระวันฟังธรรม ญาติโยนผู้มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงกับพระพุทธศาสนาจะถือว่าวันพระนี้เป็นวันสำคัญที่จะต้องมาที่วัดเพื่อประกอบศาสนากิจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เพราะทราบกันดีว่าผลต่างๆที่เราปรารถนากัน เช่นความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลความสำเร็จในชีวิตความปัาศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมเกิดจากการกระทาของเราเกิดจากการกระทาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงยึดถือพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางและเมื่อ ถึงเวลาที่เราจะต้องประกอบกิจต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้เราก็มาประกอบกิจนั่นๆกันถ้าเรากระทํากิจเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเราก็จะได้รับผลที่ดีที่งามที่จะตามมาต่อไปดังนั้นเราจึงควรมีความขวนขวาย ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคกรีดขวางก็ต้องพยายามต่อสู้กำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหลายไว้เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทาง จุดใดจุดหนึ่งถ้าเราเดินทางไปเรามีเครื่องกีดขวางทางอยู่เราก็ต้องหาวิธีที่จะผ่านเครื่องกีดขวางนั้นได้กีดขวางนั้นไปได้ถ้ายกสิ่งกีดขวางออกได้ก็ยกออกถ้ายกออกไม่ได้ถ้าจาเป็นจะต้องหาหาทิศทางหาถนนใหม่เพื่อที่จะไป ให้ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ทำถ้าเรามีความอดสหะมีวิริยะความอดทนความขยันที่จะดำเนินตามแนวทางที่พูะเจ้าได้ทรงสั่งสอนในไม่ช้า ก, ก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันนั่นก็คือความสุขความจเจริญ ความปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> สิ่งที่พระเจ้ทาทรงสั่งสอนให้พวกเราเจริญอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องก็คือการเจริญธรรมนรุสติ คือการเจริญพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างถ้าเราเจริญก็เท่ากับเราจุดแสงสว่างให้เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของเราใจของพวกเรานั้นยังมีความมืดบอดอยู่เพราะจิตใจของเรานั้นถูกอาวิชาความไม่รู้จริงโมหะความหลง ซึ่งเปรียบ่วยกับความมืดนั้นครอบงำจิตใจทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สามารถเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้แต่กลับจะเห็นตรงกั น, กนข้ามกับความเป็นจริงเช่นเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นสุขเห็นเห็นว่าบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีอย่างนี้ต็นต้นนี่ก็คือความ ที่เห็นผิดที่เห็นผิดก็เพราะว่าไม่มีแสงสว่างนั่นเองอย่างเวลาเราอยู่ที่ไหนในยามค่ําคืนในที่มืดสนิทเราจะไม่มองเห็นนั่นแหละเราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในที่บริเวณที่เราอยู่นั้นได้เลยถ้าเราไม่มีแสงสว่างแต่ถ้าเรา ม, มีแสงสว่างเราก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ ถ้าไม่มีแสงสว่างเราก็ต้องอาศัยการด้นเดาไปคาดคะเนไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นคิดว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างพระที่ท่านไปอยู่ในป่าตอนกลางคืนถ้าท่านไม่เคยไปอยู่ป่ามาก่อนแล้วจิตใจของท่านมีความกลัวอยู่ในใจเวลาท่านเห็นอะไรท่านก็จะคาดคะเนไปต่างๆนานา เช่นคาดว่าเป็นผีบ้างเป็นสัตว์ร้ายบ้างแต่ความจริงแล้วเป็นบางทีก็เป็นเงาของกิ่งไม้ของต้นไม้แต่เพราะว่าที่มันมืดมองไม่เห็นชัดก็เลยทําให้เกิดการด้นเดาขึ้นมาและเมื่อมีความกลัวประกอบอยู่ในใจแล้วใจก็จะคิดไปในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายแต่ความเป็นจริงแล้ว หาใช่เป็นดังที่ใจได้วาดไว้ได้คิดไว้ไม่นั่นก็เป็นเพราะว่าใจมืดบอดใจไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นเอง <c oughs> ฉันใจทำใจของเราถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความลุ่มหลงเราจะมองไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริง เราจึงต้องเจริญธรรมานุสติกันธรรมานุสตินี้ก็เจริญได้หลายวิธีด้วยกันอย่างในขณะนี้ท่านกำลังฟังธรรมอยู่นี่ก็เป็นการเจริญธรรมานุสติอย่างหนึ่งแต่การเจริญธรรมานุสติอย่างนี้จะเป็นการเจริญเป็นเพียงเป็นช่วงๆเป็นเวลาไม่บ่อยครั้ง อ, อาทิตย์หนึ่งก็จะมีการแสดงธรรมในวันธรรมวนะัฒรรอย่างวันนี้ท่านก็ได้ยินได้ฟังธรรมกันก็เปรียบเหมือนกับเปิดไฟในใจของท่านให้สว่างขึ้นขณะหนึ่งแต่หลังจากที่เสร็จจากการังธรรมแล้วก็เหมือนกับการปิดไฟในใจ <c oughs> ถ้าเราต้องการที่จะมีไฟอยู่ในใจ อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องเจริญธรรมานุสติอย่างต่อเนื่องคือนอกจากการฟังธรรมที่วัดแล้วถ้าเรากลับไปที่บ้านถ้าเรามีเทปธรรมะเราก็ควรจะเปิดเทปธรรมะฟังต่อหรือถ้ามีหนังสือธรรมะเราก็เปิดหนังสือธรรมะต่อหรือถ้าเรามีความสามารถ ที่จะเจริญธรรมนุสติภายในใจของเราโดยนําธรรมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเจริญในใจของเราคือคิดถึงธรรมะเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆก็เท่ากับการเป็นการจุดไฟเปิ ด, ปดไฟให้มีแสงสว่างภายในใจของเราอยู่เรื่อยๆ เราสังเกต ด, ดูในเวลาคางคืนถ้าเราเปิดไฟเราก็จะเห็นถ้าเราปิดไฟเราก็จะไม่เห็นดังนั้นส่วนใหญ่ในเวลาลางคืนเราจะเปิดไฟอยู่ตลอดเวลายกเว้นในขณะที่เรานอนหลับเราก็จะปิดไฟเพราะว่าในขณะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แสงสว่างแต่ในขณะที่เราตื่นในยามค่ำคืน เราจะต้องเปิดไฟอยู่เสมอหรือถ้าเราไปในที่ที่ไม่มีแสงสว่างไม่มีไฟเราก็ต้องนำไฟฉายหรือเทียนติดตัวเราไปเมื่อเราไปในที่มืดเราก็จะได้จุดไฟนั้น<ม>เพื่อเราจะได้เห็นทาง<ม>เห็นสิ่งต่างๆรอบบริเวณที่เราอยู่ที่เราเดินไปการจเจริญธรรมานุสติภายในใจของเราก็เป็นเช่นนั้น เปรียบเหมือนกับมีไฟฉายมีเทียนติดตัวเราไปมีโคมไฟเราไปในที่ไหนเราก็จะมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่เจริญธรรมมนุธรร ม, มนุสติก็เปรียบเหมือนกับเรากาลังเดินอยู่ในที่มืดเราก็จะต้องถูกอำนาจของโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้จริงมาครอบงา แล้วก็จะทำให้เราดาเนินไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามทำให้เราไปทำบาปทำกรรมขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีผลเสียตามมาต่อไปนี่ก็เป็นเพราะว่าใจของเราไม่ได้เจริญธรรมนุสติอย่างต่อเนื่องพอเผลอปับ๊บความมืดก็จะมาครอบงำเมื่อความมืดครอบมาครอบงำ แล้วความโลภความโกรธก็จะปรากฏตามขึ้นมาเมื่อมีความโลภความโกรธแล้วก็จะมีการกระทำบาป ท, ทำกรรมขึ้นมาทำให้เกิดผลเสียหายตามมาต่อไปดังนั้นเราจึงควรที่จะระลึกถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่รู้จะนึกอะไร ในขณะ <c oughs> ในขณะที่ใจเราไม่มีภารกิจที่จะต้องคิดเรื่องอื่นเช่นไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานทำการการทำธุรกิจ ต, ต่างๆเวลาที่ใจเราว่างเช่นเวลาเรานั่งรถไปเราก็มาเจริญธรรมานุสติกันจะดีกว่าถ้าไม่รู้จะคิดถึงธรรมะบทใดข้อใดก็ให้เจริญ พุทธานุสติคือให้ระเลิกถึงชื่อของพุทธเจ้าคือคาว่าพุทโธพุทโธอย่างน้อยที่สุดถ้าเราละเลิกถึงพุทโธพุทโธโดยที่ไม่ไปคิดอะไรใจของเราก็จะสงบใจของเราจะนิ่งใจของเราจะเย็นดีกว่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวตา่ตางๆที่คิดไปแล้วก็จะเกิดอารมณ์ตา่างๆตามตา ม, มามีอารมณ์โกรธบ้างอารมณ์ เสียใจบ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เศร้าโศกเสียใจต่างๆล้วนเกิดขึ้นจากความคิดของเราทั้งสิ้นถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราให้อยู่ในธรรมะให้อยู่ในสิ่งที่ดีที่งามเช่นให้อยู่ในบทสวดมนต์ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจิตของเราก็จะสงบ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นเครื่องที่จะทำให้จิตวุ่นวายสายแสแต่เป็นเครื่องกองเกลีจิตใจให้มีความสงบมีความร่มเย็นถ้าเราลึกถึงกติธรรมต่างๆก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมาสามารถที่จะพาให้ชีวิตของเรานั้นไปได้ด้วยความดีด้วยความสุข ด, ด้วยความเจริญ เราจรึงต้องพยายามเจริญธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ําเสมอพยายามตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ก่อนว่าในวันวันหนึ่งถ้าเรามีว่าเวลาว่างที่เราไม่ต้องไปคิดเรื่องราวต่างๆขอให้เราหันมาคิดถึงเรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ก่อนคือเราไม่ได้ <c oughs> <c oughs> กำหนดเป้าหมายของความคิดของเราว่าเราควรจะคิดอะไรเราก็จะปล่อยให้ใจของเราคิดไปเรื่อยเปือ่อยแม้ในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่ใจของเราก็ยังมีเวลาที่จะไปคิดเรื่องราวที่ไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์แต่กับโทษแต่กับเกิดโทษให้กับเราก็มีอยู่ แต่ถ้าเราได้ตั้งจิตอธิษฐานคืออธิษฐานนี่ก็คือความตั้งใจสัจจะก็คือความจริงใจถ้าเรามีความตั้งใจจริงว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันก็จะเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องผูกมัดให้เราทำในสิ่งนั้นๆต่อไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็เปลี่ยงเหมือนกับเรือ ที่ไม่มีหางเสือหรือรถที่ไม่มีพวงมาลัยถ้าเรือไม่มีหางเสือรถไม่มีพวงมาลัยเวลาให้เรือหรือให้รถนั้นวิ่งไปมันก็จะวิ่งไปสเปะสปะไม่มีจุดไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะไม่มีการควบคุมให้รถหรือเรือนั้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐาน คือความตั้งใจจริงให้ใจของเรานั้นทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใจของเราก็จะไม่มีเป้าหมายก็จะไม่ทําในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะให้ใจของเราทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้แล้วเราก็จะมีสติคอยเตือนเราอยู่เสมอในเวลาที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิด เรื่องราวที่สำคัญที่จาเป็นต่อการดำรงชีพต่อการทำมาหากินเลือกต่อการปฏิบัติภา ร, รกิจอันใดอันหนึ่งเราก็จะได้เอาเวลาที่ว่างนั้นมาคิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ทำให้เราเกิดความฉลาดเกิดความรู้ขึ้นมาเพราะธรรมะคาสอนของพุทธเจ้านั้นถ้าเราไม่นำมาคิดบ่อยๆเราจะลืม แล้เราจะไม่เข้าใจเท่าที่เท่าที่ควรเวลาเราฟังครั้งหนึ่งเราก็เราก็จำได้เข้าใจได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเองไม่เข้าไม่จำได้หมดไม่เข้าใจได้ทั้งหมดแต่ถ้าเรานํามาคิดอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะจําได้มากขึ้นไปและจะเข้าใจมากขึ้นไปเมื่อเราจําได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้น เราก็จะได้นำมาใช้ให้มากขึ้นถ้าเราไม่คิดอยู่บ่อยๆธรรมะนี้ก็จะห่างไกลจากใจเราเราก็จะไม่ได้นำธรรมะนี้มาใช้ธรรมะนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับอาวุธถ้าเรามีอาวุธอยู่ใกล้ตัวเราเวลาที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธนั้นเราก็จะสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้เลยทันทีอย่างเจ้าท่านเจ้าหน้าที่ตารวจ เวลาเขาออกไปปฏิบัติราชการไปตามจับผู้ร้ายเขาจะต้องมีอาวุธอยู่กับตัวเขาเพราะเขาจะเป็นฤทธิที่จะต้องใช้มันทันทีทันใดเขาก็จะได้ใช้ได้ขึ้นทันทีแต่ถ้าไม่มีอาวุธติดตัวไปเกิดไปเจอผู้ร้ายแล้วเกิดผู้ร้ายเขาต่อสู้แล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มีอาวุธ ก็จะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับผู้ร้ายได้ใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันใจของเราก็มีผู้ร้ายของใจเราก็คือความมืดบอดความหลงผิดนั่นเองที่เรียกว่าโมโมหะอวิชชาถ้าเราไม่มีธรรมาวุธคืออาวุธแห่งธรรมคือแสงสว่างหรือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ตัวเรา เวลาที่ความมืดความหลงความมืดบอดนี้ <c oughs> แสดงตัวขึ้นมาเราจะไม่มีอาวุธไว้ต่อสู้เราจะไม่มีแสงสว่างไว้ทํทำลายความมืดนั้นถ้าเราไม่มีแสงสว่างทาลายความมืดแล้วความมืดนั้นก็จะพาให้เราไปมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นบาปว่าไม่ใช่บาป เห็นบุญว่าไม่ใช่บุญแล้วเราก็จะทำแต่บาปทำแต่กรรมแล้วเราก็จะต้องประสบกับผลของการกระทาของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันเลยแต่เราก็ต้องรับเพราะกรรมอันนั้นไปดังที่เราเคยได้ยได้ฟังข่าวขขาอยู่ทุกวันในหน้าหนังสือพิมพ์นั่นเป็นผล ของความมืดพาจิตใจไปถ้ามีธรรมะมีแสงสว่างอยู่ในใจแล้วจะไม่ทําในสิ่งเหล่านั้นเพราะรู้ว่าเมื่อทําไปแล้วมีแต่โทษไม่มีคุณเลยในเบื้องต้นเมื่อทําไปแล้วก็ทําให้จิตมีความว้าวุ่นขุ่นมมงมีความทุกข์มีความกังวลใจเพราะว่าเมื่อทําความผิดไปแล้วย่อมมีความกลัวที่จะต้อง ถูกเขาจับไปลงโทษหรือถูกเขาประนามในการกระทําที่ไม่ดีของเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแล้วภายในใจแล้วถ้าเขาจับเราไปได้เขาก็ต้องจับเราไปลงโทษต่อไปตามตามแต่ความผิดที่เรากระทาไว้ว่ามีโทษหนักโทษเบาอย่างไรเราก็ต้องไปรับเคาะตามต่อไปไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม ถ้าเมื่อทําบาปไปแล้วจะต้องใช้กรรมนั้นเพียงแต่ว่าผลที่จะตามมาจะชาหรือจะเร็วเท่านั้นเองนี่หมายถึงผลภายนอกคือจะถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางถูกไปถูกไปประจานนั้นจะชาหรือจะเร็วนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่จะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วทันตาเห็นก็คือ ความรู้สึกภายในใจของเราเมื่อเราทำความผิดไปแล้วใจของเราจะมีอาการกระสับกระส่ายมีความวุ่นวายมีความกังวลใจมีความวิตกเวลาเดินไปเจอใครก็จะมีความหวาดว่าเขาจะรู้เขาจะเห็นแล้วเขาจะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับเรา นี่หละคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วในใจของเรา <c oughs> แต่ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมคือธรรมะรู้ว่าการทำบาปนี้มีผลตามมาดังที่ได้แสดงไว้แล้วเราก็จะไม่กล้ากระทำบาปเพราะเราไม่ต้องการที่จะมีความรู้สึกไม่ดีเราไม่ต้องการที่จะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางถูกเขาประจานความชั่วของเรา เมื่อเรามีแสงสวาของรรมเราก็จะระงับการการกระทำสิ่งที่ไม่ดีคือบาปกรรมที่เกิดจากความมืดบอดในใจของเราได้ดังนั้นการเจริญธรรมะคือคำสอนของพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่เสมอคิดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรสอนให้เราละกั จากการกระทำอะไรแล้วพยายามทําไปเช่นพระเจ้าทรงสอนให้เราเจริญเมตตาอยู่อย่างสม่าเสมอให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อคนทุกๆคนมองเขาให้เป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้เป็นคนที่เรารักที่เราชอบถึงแม้เราจะไม่รู้จักเขา ก็ขอให้ลองมองเขาแบบนั้นเพราะเมื่อลองมองเขาแบบนั้นแล้วเราจะไม่มีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราจะไม่คิดเบียดเบียนเขาแต่เราจะคิดแต่ความปรารถนาดีกับเขาอยากจะให้เขามีความสุขอยากจะให้เขาพ้นทุกข์อย่างนี้ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่จเจริญเมตตาเราปล่อยให้จิตของเราถูกความมืด บอดครอบงำเวลาเราเห็นการกระทําของผู้อื่นที่ไม่ถูกใจเราใจของเราก็จะเกิดความขุ่นมัวขึ้นมาเกิดความพยาบาทขึ้นมาเกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มคิดร้ายกับเขาขึ้นมาเพราะว่าใจของเรานั้นไม่เจริญเมตตาไว้นั่นเองถ้าเราเจริญเมตตาแล้ว เราก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ดีต่อเขาเรา <c oughs> นอกจากการเจริญเมตตาแล้วท่านก็สอนให้เจริญอุเบกขาควบคู่ไปด้วย <c oughs> คือให้มองให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้น <c oughs> มีกรรมมีกรรมเป็นของของตนเขาจะดีเขาจะชั่ว มันก็เป็นเรื่องของเขาเขาดีเขาก็จะได้รับผลดีของขอ ง, ของเขาเขาชั่วเขาก็จะต้องรับผลชั่วของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษกับเขาเขาดีเดี๋ยวเขาก็ได้รับผลดีไปเองเขาชั่วเขาก็ได้รับผลชั่วของเขาไปเอง ยกเว้นว่าเขาเป็นคนที่อยู่ภายใต้าการดูแลของเราเช่นเขาเป็นลูกจ้างของเราถ้าเขาเป็นคนดีทำงานมีความขยันหมั่นเพียรมีความซื่อสัตย์สุจริตเราก็ควรที่จะให้รางวัลเขาถ้าเราอยู่ในฐานะที่จะให้เขาได้ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีคนเกียดคร้านคนทุจริต มีแต่จะคอยรักเล็กขโมยน้อยอย่างนี้เราก็จะต้องทำโทษเขาในเบื้องต้นเราเราอาจจะเตือนเขาบอกเขาไว้ก่อนว่าไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็คาดโทษไว้ว่าถ้าทำต่อไปจะต้องมีการทำโทษเช่นอาจจะต้องมีการตัดเงินเดือนหรือถ้าเป็นโทษที่ร้ายแรงก็จะต้อง ให้ออกจากการไปอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทจะต้องทำแต่นี่ไม่ได้เป็นกายกรรมที่เกิดจากความขาดความเมตตาแต่เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้น <c oughs> ถ้าเรามีความเมตตาแล้วมีอุเบกขาแล้วถ้าเราเห็นคนอื่นที่เราไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยเขาจะ ชั่วอย่างไรเขาจะดีอย่างไรเราก็จะทำใจของเราเป็นปกติคือเราจะไม่ไปโกรธแค้นโกรธเคืองกับเขาอยากจะให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเราถือว่าเป็นหลักของกรรมเพราะการที่เราไปมีความโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาภายในใจก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเองสร้างความร้อนให้กับใจของเรา เป็นความทุกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลที่เกิดจากความมืดบอดนั่นแหละเกิดขาดปัญญาขาดธรรมะผู้ที่มีธรรมะแล้วย่อมไม่โกดแค้นกดเคืองผู้หนึ่งผู้ใดแม้ว่าผู้นั้นจะทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราสร้างความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจให้กับเราแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเรามีธรรมะ เราจะไม่โกรธเขาเราจะไม่อาฆาตพยาบาทเพราะความโกรธความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นเหมือนไฟที่จะเผาจิตใจของเราให้มีแต่ความรุ่มร้อนเราถูกเขาทําร้ายท า, ทางกายแล้วเราทําไมถึงจะไม่ให้เขาทำร้ายทางใจเราอีกต่อไปทางใจนี้เราเรับนับได้ด้วยธรรมะด้วยน้ำของธรรมะ คือเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าปราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้อยู่เรายังจะต้องรับเคราะห์กรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตแม้นไม่ใช่เป็นในชาตินี้ก็มีกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาติเราอาจจะจำไม่ได้เท่านั้นเองแต่เมื่อเกิดขคอกรรมแล้วก็ขอให้เราทำใจให้สงบ ทำใจให้เป็นปกติเป็นอุเบกขาดังในบททางที่ได้เจริญไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเขาก็มีกรรมของเขาเราก็มีกรรมของเราในเมื่อวิบากกรรมคือผลของกรรมมันตามมา ถ, ถึงแล้วเราจะไปปฏิเสธวิบากกรรมเหล่านั้นได้อย่างไรเราก็ต้องต้องทนใช้ขันติยอมรับ กรรมอันนั้นไปแต่เราจะไม่ไปสร้างกรรมอันใหม่ขึ้นมาด้วยการไปตอบโต้ไปทำร้ายเขาอย่างนี้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้เพิ่มขึ้นไปเองแล้วเมื่อเราทำเช่นนี้แล้วเวรกรรมก็จะไม่มีหมดสิ้นไปดําในพุทธภาสิต ท, ที่แสดงไว้ว่ า, วาเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร นี่แหละคือธรรมะถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวเราจะต้องระงับความโกรธได้เราจะต้องระงับความอาฆาตพยาบาทได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเรารุนแรงขนาดไหนก็ตามการไปตอบโต้นั้นเป็นการกระทําของความโง่เขาเบาปัญญาของความมืดบอดเพราะจะไปสร้างกรรมที่เล็กที่น้อย ให้กลายเป็นกรรมที่ใหญ่ขึ้นมาดัางที่เราเคยได้ยินว่า <c oughs> ที่เขาพูดกันว่าน้ำพึ่งหยดเดียวบางทีน้เพึ่งหยดเดียวนี้สามารถทาให้เกิดสงครามขึ้นมาได้ <c oughs> ก็เพราะว่าแต่ละฝ่ายไม่รู้จักการให้อภัยไม่รู้จักการทำใจให้เป็นอุบเบกขาไม่รู้จักกฎแห่งกรรมนั่นเอง เมื่อใครมาทำในสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็จะตอบโต้กันไปแล้วก็ทำให้รามปามทำให้ผู้อื่นที่ไม่รู้อีโนเอเนต้องมารับข้อกรรมตามไปด้วยเพราะความเห็นอกเห็นใจกันเห็นว่าเป็นพักเป็นพวกเห็นว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันก็เลยต้องกลายเป็นการทำสงครามระหว่างครอบครัวระหว่างประเทศไปก็เพราะความมืดบอดค า, ารขา ธรรมะในใจนั่นเองแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ภายในใจแล้วเราจะเห็นว่าคนเรานั้นในที่สุดมันก็ต้องตายเหมือนกันที่เราจะตายแบบไหนตายด้วยการกระทําบาปหรือตายด้วยการกระทําบุญเพราะว่าถ้าเราตายด้วยกระทาบาปแล้วเราก็ต้องไปเกิดในอาบายต่อไปแต่ถ้าเราทําด้วย แต่ถ้าเราตายด้วยการทำบุญก็คือมีอุเบกขาธทำมีเมตตาธรรมมีความลิ่งเฉยมีการให้อภัยเราตายแต่เราตายแล้วเราไปดีเราไปสู่สุคติเราได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพร่งเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์อรหันต์อย่างนั้นไม่ดีกว่าหรือดีกว่าที่ตายไปแล้วจะต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นดสุลกายเป็นสัตว์นรกเนี่ย เพราะว่ากรรมนี่แหละเป็นเครื่องที่จะส่งสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆกรรมก็คือการกระทำการกระทำบาปก็จะไปสู่อบายการกระทำบุญก็ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ดังนั้นเราอย่าไปเสียดายชีวิตของเรา